ท่านฟังค่ะนี่คือรายการสัสนิษฐานาค่ะเราปฏิบัติธรรมกันในช่วงต้นของรายการเป็นประจำรับอรุณกันเลยนะคะจะได้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ได้กำไรมากกว่าคนอื่นคือเริ่มต้นด้วยการเจริญสติค่ะโดยพระมารชาคพระวโรแห่งวานาป่าพงลำนุกกาคลองศิทธิ์นะคะและสติของคุณก็ประคองให้เจริญอยู่เรื่อยเพราะว่าสาระที่จะได้ฟังต่อจากนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ สามารถจะพาพวกเราหลุดพ้นไปจากความไม่มีความสุขความทุกข์ของท่านทั้งปวงได้นะคะมาพบกับพระพิบูลนพิปุญโนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนณะค่ะนมัส ก, การกันค่ะเชิญพรค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มาพบกับท่านรายการนี้รายการสัมสีิน์สนทนาวันนี้เป็นวันพระนค่ ะ, คะอ๋อใช่วันพระนะอีกหนึ่งวันแล้ว วันพระก็เป็นวันที่ให้มาระลึกถึงว่า <c oughs> ควรจะต้องมาฟังธรรมบ้างมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างอย่างครารว่าเนี่ยทุกเจ็วันมีวันพระหนึ่งวันนะค <c oughs> สําหรับวันพระเนี่ยสำหรับพระสงฆ์เนี่ยเจ็ดวันนี้ต้องเป็นปวันพระหมดเลยท่านคะพูดถึงวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะกลับเรียนถามเรื่องของการปฏิบัติออื ก็คงจะน่าจะดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกันในทางตรง uh, มาพอ uh, สมควร <yeah. S 2> แล้วทีนี้อยากจะกลับยนถามท่านว่าผู้ที่ฝึกปฏิบัติอาจจะผ่านรายการวิทยุนี้โดยเฉพาะด้วยเพราะว่าไม่เคยไปไหนแต่ฟังแล้วก็ดีก็ฝึกตามไปนะคะแต่ว่าใช้เวลากับรายการมานานละก็ดูเหมือนกับว่ามไม่ก้าวหน้าหรือเปล่านะคะ hmm. สมมุติว่าฝึกกายคตาสติอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่ท่านมาร์กได้กล่าวนําในช่วงต้นอยู่เป็นประจําก็มีความรู้สึกว่านิ่งมีสมาธิอยู่เหมือนกันแต่ไม่เข้าใจจะเข้าใจได้ยังไงว่ามันเป็นก้าวไปไหนหรือยังอ๋อความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราเนี่ย ม, มันมีเกณฑ์นในการวัดอยู่คือบางคนอาจจะคิดว่าเออนั่งแล้วนิ่งๆไม่เห็นมีอะไรเลย หลับตาก็เห็นแต่หนังตาตัวเองไม่เห็นเมืองสวรรค์เมืองวิมานอะไรเอ้ยอย่งนี้ฉันทำถูกหรือเปล่าไงนะซึ่งเราต้องใช้หลักของพุทธวจนะในการที่จะวัดว่า้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าหรือไม่อย่างไ ร, รซึ่งในที่นี้พระเจ้าให้เกณฑ์ไว้ว่าคือเมื่อไหร่ที่เราสามารถปล่อยวางความสุขความทุกข์ได้เร็วนั่นแหละคือการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าขึ้นนอย่างบาที่เราฟังเรื่องที่จะทําให้เราโกรธนะหรือฟังข่าวที่มันจะทําให้เราหลงหรือฟังเรื่องที่จะทําให้เรากลัว หรือฟังข้อมูลที่ทำให้เราโลภไหลาตามไปเนี่ยเราปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ดีแค่ไหนนั้นได้เร็วแค่ไหนอย่างบางทีเรื่องโกรธอย่างเงี้ยเขาว่าเรานิดนึงโอ้ยโกรธเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์ต่อไปนี่ยังมาชวนดันด่ากันอีกอย่างอย่างางเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยในปัญหาบ้านเมืองเนี่ยโกรธกันข้ามปีนะยังโกรธกันอยู่ ท่านเคยได้ยินคํา น, นี้ไหมคะ <c oughs> เรียกกันว่าแค้นฝังหุ่น <c oughs> <c oughs> อะไรที่มันนานๆเนี่ย <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเป็นภาษาเก่าๆ ก, ก็ต้องบอกว่าถ้าตายก็ไม่ต้องเผาผีกันเออเออนั่นแหละนั่นแหลนะแต่ถ้าเราวางตรงนี้ได้เร็วหลจากสิปีเหลือสองปีหรือว่าสองปีผ่านไปหรือปีหนึ่งผ่านไปเราปล่อยวางได้ไม่เป็นไรหรอกนะเขาก็เป็นเพื่อนร่วมสังสารวัตรฉันไม่ถือละอย่างนี้นะก็จะทําให้เป็นตัววัดในการที่ความก้าวหน้าของเรา เรื่องนี้มันไม่ได้มาไกลถึงขนาดว่าคุณจะต้องมีความแค้นกับใครเอาเรื่องง่ายๆเช่นว่าขับรถไปแล้วเขารถมาปาดหน้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกจี๊ดขึ้นมาทันทีใช่ไหมอยังมีหลายๆท่านเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดปาด่าอนหนโศกเนี่ยอย่างเป็นพนัก ง, งานต้อนรับบนเครื่องบินน่ะเขาก็จะมีการบริการที่เป็นมาตรฐานอยู่ใช่ไหมแต่ ค, คุณได้รับน้ําแก้วหนึ่งคุณได้รับอาหารชุดหนึ่งคุณได้รับอะไรต่างๆอย่างนี้นะถ้ามีผู้โดยสารคนไหนรู้มากหน่อยขอเพิ่ม นะขอเพิ่มรอบหนึ่งไว้พอขอเพิ่มสองรอบสามรอบจะเริ่มมีอารมณ์ละจะเริ่มมีความรู้สึกเอะมันยังไ ง, งนะซึ่ง ค, ความตรงเนี้เขามาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาปล่อยวางได้เร็วนเขาไม่มีปัญหาเกีับเรื่องพวกนี้ต่อไปแล้วเร็วขึ้นนะคะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราวัดได้ในชีวิตประจําวันคือเมื่อไม่กี่วันดีฉันก็เพิ่งมีคนมาถามคําถามมันก็ง่ายแบบเป็นคําถามพื้นๆ พ, พื้นยิ่งกว่าพูด ที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือจวดมาถามท่านอีกนะคะคือ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจะทำยังไงดีเราทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเรา <c oughs> พูดอะไรไปเขาก็ไม่เคยพูดดีกับเรา <c oughs> ทำยังไงดีคับ่างครคบโยมติวต่อบว่าไงล่ะเรนตอบว่าอ่เราก็เนี่ยคะ่ะพอดีเขาเป็นคนที่เคยเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขานั่งสมาธิ <c oughs> เรนก็บอกว่าเราก็รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจ อืถ้าเวลาที่เหมือนกับเราพยายามแล้วแล้วมันยังขัดใจข้องใจแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจอออืือบอกว่าทําไปเรื่อยๆแหละอีกหน่อยมันก็ดีเองอืค่ะคือเรื่องนี้มันต้องมองแง่มุมเกี่ยวกับบุคคลนั้นด้วยน ะ, ะว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนผ่านคือคนผ่าดเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่เอาดีอะไรสักอย่างหนีงง้ยไม่ว่าจะดีขนาดไหนเขาก็ไม่เอาอนะไม่นคน่านเราอย่าไปยุ่ง เราอย่าไปข้องเกี่ยวกับเขาดีแล้วที่เขาไม่ชอบเราไม่คุยกับเราถ้าเขาเป็นคนพานนะเออดีแล้วล่ะแยกกันไปซะอยู่คนละโลกแต่ถ้าเขาเป็นคนดีนะแล้วเราดีแล้วเขาไม่ดีตอบเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ย <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าเคยพูดหมดทาหมดหนึ่งที่จะทําให้คหนอื่นรักอย่างเงี้ยนะเป็นที่รักของคนหมู่คณะหมู่มากนะอย่างเช่นว่าเป็นผู้ให้ทานเกื้อเฟื้อเกื้อกูลในการให้ทานกันยังมีสาวกรูปหนึ่งที่เป็นผู้มีบริวารมากนะ ครูอว่าเพราะามีคุณธรรมต่การให้ทานหรือว่าคุณเป็นคนใช้คนอื่นทํางานไหมถ้าคุณใช้คนอื่นทํางานบ่อยๆเนี่ยคุณจะไม่เป็นที่รักของเขาอัว น, นี้ก็มีมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าเราทําความดีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเรามีศีลไหมเรามีสมาธิไหมถ้าเราทําไปเนี่ยเราก็จะมันก็จะพลิกผันเป็นสิ่งที่ดีได้นะถ้าเขาจิตเขาเป็นทําเป็นกุศลเป็นทําเป็นวินัยเนี่ยเขาจะต้องชอบสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเราค่ะ okay. นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นของแถมจากคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบตัติเดี๋ยวกลับมาสู่การปฏิบัติใหม่ <c oughs> นะคะเมื่อสักครูน่นี้ถามว่าจะวัดได้ยังไงหลังจากที่ฝึกปฏิบัติกับทางรายการแต่ก็มีครูอาจารย์เป็นพระเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาให้ท่านเฝ้าสอน <c oughs> เหมือนกับเป็นโค้ชให้ในยามเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ <c oughs> ท่านไปบูลก็ตอบว่า วัดที่ปล่อยวางความสุขความทุกข์ได้เร็วหรือไม่ถ้าอย<ช>่างนั้นท่นี้อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าแล้วมันจะไปไหนต่อเนี่ยมันเคว้งคว้างหรือเกินอืจะทํำยังไงดีคะ<อ>ขั้นตอนขั้นตอนลําดับขั้นของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันอยู่ในธรรมวินัยอยู่แล้ว <c oughs> คือคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องทวนกระแสคือเวลาเราปล่อยวางเนี่ยเราจะปล่อยวางจากนอกๆเข้ามาก่อน ใช่ไหมอย่างพระภิกษุอย่างคารอาวาสคุณมาถือศีลแปดอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยวางเสื้อผ้าสวยๆนะคุณปล่อยวางอาหารมื้อเย็นคุณปล่อยวางเตียงนุ่มๆ น, นะมาอยู่ในที่ที่เอพออยู่ได้แล้วอยู่ยังไงอยู่ยังไงคือถ้ามันไม่มีที่อยู่เนี่ยนะคือถ้าจิตไม่มีที่อยู่เนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่หรือมันไป <Okay. S 1> แต่เมื่อจิตมีที่อยู่เราจะรู้ว่ามันอยู่หรือมันไปที่อยู่ตรงนี้ก็คืออะไรพระพุทธเจ้าให้ไว้หมดเลยคือสติทั้งหลาย อา น, นาปานสติอุปสมาสนุสติอนุสติทั้งสิบอะไรต่างๆพวกเนี <c> ้ <oughs> พวกสติตรงเนี้จะเป็นเครื่องอยู่ของเรานะถามว่าพอมันละวางเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะละวางเข้ามาเรื่อยๆอย่างพระสงฆ์เครื่องแบบเราก็มีแค่นี้นะอาหารเราก็เอามือเดียวจะวางสิ่งภายนอกเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งวางเข้ามาจนถึงจิตของเรา นืจ <necessary. S 2> ิตเนี่ยความคิดที่ไม่ดีคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอับ่อยวางซะคิดถึงเรื่องที่เคยไปทํามาความดีบ้างความสุขบ้างอับไหยวางซานะปล่อยวางย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเนี่ยคือจิตไปจับอะไรปล่อยวางสิ่งนั้นจิตไปจับอะไรปล่อยวางสิ่งนั้นจนกระทั่งเราเห็นความเกิดขึ้นปล่อยวางซะเห็นความดับไปปล่อยวางซะะเห็นความเกิดเห็นความดับปล่อยวางเราจะมาพบว่าอะไรนี่มันอะไรไอ้ที่มันไปรู้เขาเนี่ย ไอ้ทิ่มันไปรู้เกิดไปรู้ดับนี่มันอะไรท่านคะอนขอประทานโทษนะคะเพระท่านพูดอที่ว่ามีรู้สุกรู้ทุกขน์นี่ระหว่างพอเข้าใจนะคะอแต่พอมาบอกว่าเห็นการเกิดเห็นการดับปล่อยวางซ้าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหรือคะถ้าการเกิดมา <c oughs> อุแว่อุแว่นะี่ยังเข้าใจง่ายนะค ะ, ะการเกิดในที่นี้คือการที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ พอเราไปรู้สุขรู้ทุกข์ใช่ไหมเราปล่อยวางความสุขความทุกข์แล้วนะอันนี้อันนี้คืออาการที่มันดับไปใช่ไหมแล้วไอ้ตัวที่เข้าไปรู้สุกรู้ทุกข์เนี่ยมันอะไระเราปล่อยวางตรงนี้ได้อีกนั่นนะแหะแหมดีมากๆากแลคือปล่อยวางตัววิญญาณเองนะการที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปนะมันมีประเด็นตรงนี้อย่างความเกิดความดับเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้เห็น การเกิดดับจริงๆไม่เหมือนกันคุณยมติวคือถ้าเราพูดถึงการเกิดก็อันหนึ่งคนที่มีการเกิดแล้วเนี่ยแล้วคุณคนประถุชนทั่วๆไปเนี่ยจะมีความยึดถือว่าโอ้ฉันก็มีนะฉันทําเงินมาของฉันนะนี่ของฉันนั่นของฉันบ้านของฉันรถของฉันอันนี้คือการเกิดในขณะที่ถ้าเราเห็นการดับไปนะที่บอกว่าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความดับไม่เหลือหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะคือเพราะเห็นการดับปุ๊บเราจะเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือการดับคือเกิดอันหนึ่งดับอันหนึ่งมันคนละอันกันพอเราเห็นไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาไปพิจารณาไปเราจะเห็นแค่เหลือแค่2จาก3เนี่ยจะเหลือ2คือเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเหลือ2แล้วเนี่ยเห็นต่อไปต่อไปเราจะเห็น1เดียวคือเห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยไม่เหม็นไม่เหมือนกับเห็นเกิดเห็นดับนะเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยคือทังสองจังหวะ แต่เห็นเกิดดับเนี่ยคือจังหวะเดียวคือมันจะไปเกิดใช่ไหมดับเลยไม่ไปนี่คือโวสกะคือความสลัดคืนคือจิตที่จะไปก้าวลงอารมณ์ใหม่โอ๊ยไม่ไปคือเกิดดับเลยไงเหมือนกับถ้าใครเคยเห็นเพามันะมันชิดกันอ่ามันชิดกันมากมันไม่มีช่องว่างให้ยืนอยู่มันเป็นแหลมเพียบขึ้นมาอย่างเงี้ยคท่านคะฟังดูท่านพูดนิงง่ายจังเลยนะคึ้นเนี่ยไม่ยากไม่ยากท่านฟังว่ายังไงคะท่านเพบูลบอกไม่ยากแต่ บางคนก็อาจจะปฏิบัติมานานแล้วก็ยังรู้สึกมันเดิมเดิมเลย่ะก็นิ่งก็สบายดีอแล้วก็รู้ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มันยังฟุ้งซ่านเข้ามาเรื่อยๆมันทําไมไม่เห็นนิ่งโวงไปเลยมันผิดหรือเปล่าที่ทํามาคือจะนิ่งหรือไม่นิ่งเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือคือมันจะมีสองข่าย ที่ถ้าถ้าเรายังไม่ศึกษาพุทธ ว, วจนะจริจริงเนี่ยมันจะมีสองข่ายของนักปฏิบัติที่เขาจะพูดคุยกันบอกว่าโอ้ยถ้าคนเห็นนั่งนิ่งนี่คือเป็นพวกสมาชิกหัวต่ออย่าไปทำํำนะอีกพวกหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องทําความสงบก่อนไม่งั้นจะไม่เห็นตามที่เป็นจริงมันก็จะมีสองข่ายอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าให้เจริญสมถาวิปัสสนาคู่กันไป มีเป็นปุทธวจนานะเธอพึงเจริญสมถะและวิปัสนาเออสมถะและวิปัสนาเนี่ยก็พึงเป็นธรรมที่เธอเจริญเคียงคู่กันไปอย่างแน่นแฟ้นด้วยนะสมถะคือสมถะคือความสงบวิปัสนาวิปัสนาคือการเห็นตามที่เป็นจริงค่ะต้องทําคู่กันไปปไใช่สงบแล้วก็ให้เห็นตามที่เป็นจริงคู่กันไปทําได้อย่างไรคะท่านยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยนะคะอย่างกรณีของ เห็นนั่งสมาธิอย่าง น, <bes> นี้นะแล้วก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยคือถ้าเราเห็นความสงบนั่นคือสมถะนะ <ysł. S 2> เราเห็นความไม่สงบฟุ้งซ่านบ้างไม่สงบบ้างนั่นคือสมถะไม่มีนะเร <pilots S 2> าถ้าเราเห็นความเกิดดับนั่นคือวิปัสสนาใช่ไหมเห็นตามที่เป็นจริงปล่วาได้นั่นคือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไป ไ, ปได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณขาดอะไรเกินอะไระถ้าจิตเราไม่สงบคุณขาดสมถะ จิตคุณฟุง้งซ่านคุณขาดสมถะนะจิตคุณพิจารณาเห็นแล้วแต่มันฟุง้งซ่านเกินไปอันนี้คุณขาดสมถะคุณขาดวิปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราเคียงคู่กันไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอันไหนมันเกินอันไหนมันขาดเราจะต้องเติมอันนั้นมันก็จะเป็นผู้ที่สมดุลอยู่ได้คือเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแะเราไม่ต้องการทั้งสองสิ่งนี้แหละเพราะว่าถ้าเรามีสมถะวิปัสนาเนี่ยเราทําถึงที่สุดแล้วตรงนี้ก็ปลางเหมือนกัน นะบุญเราก็ไม่เอาเหมือนกันบุญก็ต้องปล่อยวางสุดท้ายนะแต่ตอนนี้เราต้องทำไงเอาบุญไว้ก่อนใช่ไหมคือการเห็นตามที่เป็นจริงไปก่อนการจิตที่มีความนิ่งไปก่อนนะจิตนิ่งดีแล้วเอาแซวว่าคุณขาดวิปัสสนาเอาต่ออย่างเงี้ยท่านคะเหมือนกับท่านกำลังจะบอกว่ า, าต้องทำถ้าทำในลักษณะควบคู่กันไปตามพุทธวจนะพระพุทธวจนะของบูดา อ, องค์ก็คือต้องทําให้สงบก่อน เอ่อทำคู่กันไปคือคือสงบและพิจารณาควบคู่นไปด้วยใช่ใค่ะทีนี้ท่านบอกว่าแต่ต้องสมดุลกันใช่เราต้องรู้ว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าใช่และต้องปรับให้สมดุลกันใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคำว่าสมถะแต่แต่นี้จะกราบเรียนถามแยกกันนะคะเพราะถ้าถามชิดกันไม่รู้ว่าจะถามยังไงแล้วเข้าใจแล้วท่านเองอาจจะตอบ แล้วทําให้คนฟังที่ยังไม่ก้าวหน้าเนี่ย เ, เข้าใจได้ยากหรือเปล่ า, าคือดิ้นสงสัยว่าคําว่าสมถะเนี่ยที่ถามท่านว่าถ้าสงบละอาการของสงบเนี่ยมันต้องไม่มีความคิดอย่างอื่นอยู่ข้างในเลยเป็นวงไปเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรอกมันจะมาคู่กันถ้าพิจารณาไปด้วยมันก็ไม่มีสงบอยู่แล้วถูกไหมคะมคือสงบเนี่ยคือสงบจากกรารพยาบาติเบียดเบียน ในสงบจากความคิดที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้ถือว่าสงบพอใช้ได้ก็ความลึกซึ้งของมันก็จะมีไล่ขึ้นไปะน ะ, ค, ะคือสมมุติว่าถ้าเราคิดเรื่องดีๆอันนี้ก็ชื่อว่าสงบจากเรื่องที่ไม่ดีนะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงถูกไหมค ะ, ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนกับหลุดเปนในอุโมงค์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีอะไรเลยไม่ก็เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้ถ้าในสมาธิขั้นลึกซึ้งขึ้นไป ค่ะอแต่ในขั้นเบื้องต้นอย่างเงี้ยถ้าคุณยังอาจจะเพิ่งเริ่มปฏิบัติเนี้ยแค่เราคิดเรื่องดีๆอยู่ทั้งวันเนี่ยจิตคุณเป็นสมาธิทั้งวันอยู่ล่ ะ, <ค>ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นขั้นต่อไปที่ท่านบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ดีก็คือหมายความว่าไอ้ความคิดที่เราคิดเรื่องดีๆเนี่ยนะบางทีมันมีความคิดไม่ดีแฝงเข้ามาเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นอาจจะมีคนไม่ดีอยู่ทําให้ความคิดของเราเผลอไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ที่เป็นอาการป่วยของจิตของเราก็ค่อยๆละตรงนี้ออก คะ่ะก็เท่ากับว่าท่านบอกว่ามันปรากฏขึ้นได้ไอ้ที่มันโงงแบบนั้นถูกไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้ น, น, น, นะครับแล้วก็ไม่ผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่ใช่ใช่นะคะจะปรากฏตอนไหนเท่า น, นั้นเองเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะ <c oughs> ที่ให้ท่านได้มีโอกาสถามหมายถึงท่านผู้ฟังนะคะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะอยู่ในความสงสัยแบบใดคําถามใดเลยถามกว้างให้คลุมคลุมเอาไว้ท่าน ประเด็นที่จะเพิ่มเติมสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าพวกเราทำควบคู่กันไปเนี่ยเราขาดตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นแล้วเราไม่ต้องกังวลอย่าให้มีความกังวลว่าเอ้ฉันทำถูกไหมชันอะไรไหมคือทำไปเรื่อยๆนะ<ห>ความกังวลเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันเพราะนั้นถ้าทำไปเรื่อยๆถูกต้องแล้วสรุปนะคะท่านาก่อนจะจบมีครูบาอาจารย์ทางวิทยุอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆี่จะก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้ไหมคะโนได้สิได้สิ การฟังทมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีมีโอกาสหลีกเล่นบ้างอันนี้ต้องถามต้องถามนะคะค่ ะ, ค ะ, คะเพราะว่าบางคนเลยบอกว่าเอางั้นก็เอาวิทยุเป็นสาระ อย่าถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าวิทยุยังมีดิฉั้นปะปนอยู่ด้วยถ้าลําฟังพระอาจารย์ก็จะบอกให้กอดวิทยุไว้เลยก็แล้วกันวันนี้ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเพบูบุญเป็นอย่างยิ่งติดตามท่านเสาร์อาทิตย์นี้ได้เหมือนเดิมไหมคะที่วิทยุประเทศไทยกต้อ ง, องนะคะนมัส ก, การขอบพระคุณค่ะเล่นผานเล่นผานค่ะหมุนไปที่วิทยุแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันเสาร์อาทิตย์ท่านไพบูบุญจะไปที่นั่นค่ะส่วนรายการของเรานะคะก็ไม่ต้องหมุนไปไหนล่ะค่ะ ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันที่นี่ตั้งแต่ตี5้าใครจะส่งคำถามมาก็ที่เพียวธรรม a .com/106 ส่วนถ้าจะขอหนังสือได้ที่022690006ขอให้การปฏิบัติของท่านเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตตามธรรมเจริญก้าวหน้านะคะพุทวัดสวัสดีค่ะ